จริงๆระต่อสู้เพื่อล้มหายใจจริงๆอ่ะถ้ามันไม่ดันเมื่อไหร่ก็เสร็จในสมัยหนึ่งเอาว่าถึงประวัติของตัวเราเองสั่นิดหนึ่งว่าเมื่อยังเป็นเด็กนักเรียนอายุประมาณสิบกว่ากวาอาจจะเป็นสิบเอ็ดหรือสิบอะไรอย่างเงี้ยสิบสิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยขณะนั้น <c oughs> ก็ ไปเรียนอยู่ที่จังหวัดอุบลโรงเรียนที่เรียนก็คือโรงเรียนวัดสุปัตเวลาไปเรียนแล้วเขาก็ให้สมัครเป็นลูกเสือก็สมัครเป็นลูกเสือพอสมัครเสร็จแล้วเขาก็ให้ไหว้น้าแข่งกันแอดไหว้น้าแข่งกันนั่นใช้แม่น้ามูลแม่น้ำมูลเป็นที่ไหว้แล้วเขาจะไปปักหลักไว้ที่กลางแม่น้า ใครจะไปถึงหลักก่อนและก็วหวกลับในจำนวนที่ไปวหว้ด้วยกัน <c oughs> ทั้งหมดประมาณยี่สิบหรือสามสิบกว่าคนที่สมัครเป็นลูกเสือกันในสมัยนั้นเ <c oughs> มื่อวหว้เสร็จแล้วนี่หลวงพ่อก็ต้องการชนะใครก็ต้องการชนะเมื่อวหว้เต็มที่ ไหไปไหวมาไหวไปไหมาแอะอะไรคนมันหายหมดเหลือแต่เราคนเดียวอือแสดงว่าเราชนะแล้วที่ไหนได้เงยขึ้นมาตัวอะไรไม่ร่มอยู่ข้างหน้ายาวประมาณสามสี่วางเงี้ยตาแดงข้างหลังมันนี่ขาวเป็นหยักเป็นหยักเป็นหยักอืาตัวเ อ, เ อ, เอ๊ะไอ้ผิววันนี้ดำมีเลย ยาวนี่ตัสงแต่นี่สุดนี่อ่ะเลขึ้นอ๋อพอเห็นเท่านั้นเองตินเมื่อหายตัวหล่นลงไปอยู่ใต้แม่น้ํามูลอ่ะหล่นลงไปอยู่ใต้แม่น้ํามูลไม่รู้อะไรพลังที่ไหนมันมาไม่รู้เนี่ยเออพอเท้าพอเท้าเราเหยียบดินเท่านั้นเองอ่ยมันเกิดพลังพิเศษขึ้นดันตัวเราเนี่ ขึ้นมาลอยตุ๊กปองขึ้นมาเอพะทั่ขายหมดเราก็เห็นน่ะรีบไหว้กลับทีนี้คนที่มันยืนอยู่ที่ฝั่งอะมันกวักมือไม่รู้กวักมือเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้ยินเ <Yeah. S 1> อ่าพอเห็นรีบโอ้โหไหว้กลับมาไม่คิดชีวิตเลยอืม <Yeah. S 1> แล้วกลับขึ้นมานะโยอมพ่อยมแม่สองคนมายืนคอยอยู่ที่นั่นกระโดดพุ่มขึ้นมา <Yeah. S 1> โอ้ยแบบนี้ เกือคืนมองไปยังเห็นอยู่แนะ่ยังลอยอยู่อออพอประมาณสักห้ามงหรือเกือบห้ามงเย็นก็กว่าอย่างเนี้ยมันก็ค่อยจมลงจมลงจมล ง, มงแล้วก็หายไปก็แหละเรียกว่ารอดมาได้ <c oughs> มีฉนั้นคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วอมันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยมันมนหนุนเท้า ทำไมมันดันขึ้นมาได้มันเกิดแรงขึ้นมาเพราะว่าแม่น้ำมูลเนี่ยมันลึกนะ่าไม่ใจตื่นหล่นลงไปถึงใต้ท้องแม่น้ำยันขึ้นมาอย่างเงี้จะไม่รู้วมันยันขึ้นมาได้ยังไงเรียกแรงแต่ว่าไอ้ตอนที่มันหล่นลงไปเนี่ยมันหมดแรงแล้วไม่มีแรงอะไรแล้วตัวเจออย่างเงี้ยอ่อนปกเพียเขาเห็นแล้วมันตกใจ <c oughs> เพราะฉะนั้นเอ่ออันนี้เรียกว่าครั้งหนึ่ง ในจำนวนหลายๆครั้งของชีวิตที่อุดวิตแต่คิดว่านักศึกษาทุกๆคนนี่ถ้าหากว่าจะให้เล่านี่ก็คงจะต้องมีหลายคนที่โดนมาว่ายังไงกว่าจะมาได้นั่งอยู่ที่เก้าอี้อันนี้คงผ่านมาเยอะไม่ตายก็คางเหลืองอะไรเงี้ยยังไงก็ตามวันนี้ เพราะว่าเราจะมาพูดกันถึงชา้นลึกก็หมายความว่าหลวงพว่อจะต้องตกแม่น้ำมูลไปก่อนแล้วถึงจะมาพูดกันถึงชา้นลึกได้และทีนี้ชั้นเนี่ยในที่นี้ก็ได้เขียนไว้อย่างละเอียดแล้วว่าความลึกของชา้นนั้นคือการเพิ่มพลังอำนาจณจุดยุทธภูมิจุดยุท ธ, ธภูมิก็คือ ใจของเรานั่นแหละใจมันตั้งอยู่ที่ไหนก็คือจุดยุตภูมิอยู่ที่นั่นแต่ทีนี้ถ้าเราหาว่าเราค้าจุดยุทตภูมิไม่ได้เนี่ยเราก็เพิ่มพลังจิตไม่ได้เมื่อเราเพิ่มพลังจิตไม่ได้ชานลึกมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นในจุดยุตภูมิเนี่ยก็คือใจของเราที่ได้ที่ตั้งแล้วอย่างมั่นคงีนี้เอ่อ เมื่อได้จุดยุทธภูมิแล้วก็เริ่มมีพลังอำนาจอันหนึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้เกิดความลึกซึ้งตามลาดับเพราะการที่จะเลื่อนระดับได้นั้นต้องอาศัยรวมจุดหมายถึงความพร้อมของจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งเพราะความพร้อมนั้นเกิดขึ้นจากการรวมของหน่วยต่างๆหน่วยนี้เราก็เพิ่มขึ้นมาว่า หน่วยงานก็แล้วกันแต่นี่ก็ใช้คำว่าหน่วยคือเกิดขึ้นจากการรวมของหน่วยงานต่างๆเช่นกระแสพลังสงบศูนย์รับอารมณ์ความครอบครองและการย่ออันนี้คือหัวใจของอข้อนี้ข้อของชานลึกเนี่ยความลึกของชานเนี่ย สิ่งที่จะก่อตัวให้เกิดความลึกนั้นมันมีอยู่เจ็ดประการด้วยกันเจ็ดอย่างเช่น อ, อันดับหนึ่งคือกระแสอันดับสองคือพลังอันดับสามคือความสงบอันดับสี่คือศูนย์รับอารมณ์อันดับห้บาคือวิญญาณอันดับหกคือความครอบครองอันดับเจ็ดคือความย่ออันนี้ ในจำนวนทั้งเจ็ดอย่างนี่ก็ได้ย่อไว้ในตอนสุดท้ายแล้วว่า อ, นนอันที่อธิบายมาที่เขียนมานี่คิดว่านักศึกษาคงจะได้อ่านมาแล้วก็คงจะเข้าใจพอสมควรอย่างไรก็ตามจะอธิบายถึงไอ้จุดศูนย์รวมกำลังเนี่ยเรียกว่า การที่จะเลื่อนระดับได้นั้นอาศัยการรวมจุดหมายถึงความพร้อมของจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งเพราะความพร้อมนั้นเกิดขึ้นจากการรวมหน่วยต่างๆเช่นอย่างนี้เป็นต้นคือการรวมหน่วยงานต่างๆที่นี้หน่วยงานต่างๆนี้ทั้งหมดก็มีอยู่เจ็ดข้อคืออธิบายเป็นตามลำดับอย่างนี้ว่า ณที่นี้จะขยายความของฌานลึกเจ็ดประการทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงว่าบุคคลจะดําเนินฌานลึกอย่างไรจะดําเนินฌานเนี่ยก็หมายความถึงว่าเมื่อเราได้รูปประฌานแล้วจะดําเนินต่ออรูปประฌานไปได้อย่างไร<ม>การที่จะดําเนินอรูปประฌานต่อไปได้ก็ต้องมีเออ มีทั้งหมดเจ็ดประการนี้และในเจ็ดประการนี้การที่เราทำรูปประชานคือตั้งแต่ต้นมาเนี่ยทั้งเจ็ดประการนี้มีอยู่ในตัวของเราเพียบพร้อมเมื่อ mm. อยู่ในตัวของเราเพียบพร้อมทีนี้การที่จะแยกออกมาเป็นเป็นหน่วยหน่วยหรือจะแยกออกมาเป็นข้อขอนั้นนั่นเป็นเรื่องของการยากลำบาก แต่ยังไงก็ตามอันในที่นี้ก็ได้แยกไว้ให้แล้วคือข้อที่หนึ่งหมายถึงกระแสกระแสหมายถึงพลังชนิดหนึ่งอันเกิดขึ้นจากจิตของผู้ที่มีฌานลึกกระแสนี้จะมีลักษณะเย็นและละเอียดเบาดุ จ, จปุยนุ่นแต่แกร่งมีความฝ่องใสเพราะจิตนั้นได้พลังที่รวมตัวเข้า จนได้ที่ในที่นี้เราไม่ได้หมายถึงเอการบริกรรมแล้วเราไม่ได้หมายถึงขั้นต้นแล้วกระแสอันนี้หมายถึงว่าเราผ่านขั้นตอนมาหมดแล้วจริกระทั่งมาถึงจุดพลังอำํำนาจเจริจะเข้ามาถึงตัวกระแสรเรียกว่ากระแสรกระแสก็เหมือนกระแสไฟอย่างเนี้ยถ้าพูดกันที่จะเปรียบเทียบก็เหมือนกระแสไฟ กระแสะไฟอันดับแรกมันก็คงจะเป็นห้าแรงเทียนสิบแรงเทียนอะไรอย่างเนี้มันก็เป็นกระแสะความแรงหรือว่ากระแสะลมอย่างเนี้ยกระแสะลมอย่างเนี้ยมันอาจจะเป็นลมอห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมาถึงก็ถึงร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างนี้ก็เรียกว่ากระแสะรุนแรง กระแสะธรรมดาก็คือห้าสิบห้าถึงสิบกิโลเมตรต่อชอั่วโมงอะไรอย่างนี้อันนี้กระแสะเราเราถึงเปรียบเหมือนกระแสะจิต mm hmm. เมื่อมาถึงกระแสะจิตอันนี้ถึงเรียกว่าเย็นละเอียดเบาหลุดจะปุยนุ่นแต่แกรนมันไม่ใช่เย็นเฉยไม่ใช่เบาเฉยมันเบาแต่มันมีความแกรงไปในตัวเสร็จ มันเบาจริงแต่ว่าในที่นั้นน่ะมีพลังมหาศาลเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เรียกว่ากระแสมันจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาที่จิตของเราเนี่ยเข้าสู่ฌานชานิดหนึ่งแล้วคือเรียกว่าฌานที่จะดาเนินการต่อไปถึงฌานลึกอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้พอมาถึงอันดับสองเรียกว่าพลัง หมายถึงการสะสมตั้งแต่ต้นจากสมาธิมาถึงฌานตื้นก็มาถึงฌานลึกพลังนี้จะสูงขึ้นกลายเป็นกำลังยกน้ําหนักได้เพราะขณะเป็นฌานในตอนนี้มีความเป็นกลุ่มก้อนแห่งกระแสอย่างกว้างขวางพลังนี้อุ้มหรือรักษากระแสแห่งความกว้างขวางไว้นาน ทีนี้เมื่อเราพูดกันถึงพลังแล้วเรียกว่ากำลังกำลังนี้มันเป็นกำลังเด็กมันก็ยังอุ้มอะไรไว้ไม่ได้ยืนก็อยู่ได้ไม่นานนักอันนี้คือเด็กทีนี้เมื่อโตขึ้นมาแล้วก็ยืนได้ยืนได้แต่ว่ามันแบกน้ําหนักไม่ได้เมื่อเวลาที่มันโตขึ้นมาอย่างเต็มที่ มันก็เกิดมีกำลังทีนี้ยกน้ำหนักได้เ้าเรียกว่าอุ่มได้เมื่อจะมาถึงชานลึกต้องมามีกำลังอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามีกำลังสเปะสปากมันจะเข้าชานลึกมาได้หรือว่าไปคิดเอาอย่างเวลาที่เราจะยกน้ามกระป๋องหรือว่ายก อ, อ, อะไร ข้าวส ก, กาบุงอย่างเนี้ยเราเป็นนึกยกเอาอย่างนี้ข้าวสารมันไม่เป็นไหนอ่ะมันอยู่ที่เก่านึกเอามันไม่ได้แต่มันต้องไปยกจริงๆยกขึ้นมาได้ไหมยกขึ้นมาได้นี่เทวดาแกมีกำลังแล้วอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นในพลังอันนี้ที่จะเข้าสู่ชั้นลึกนี้จึงเป็นพลังที่สามารถจะยกได้ เราเรียกว่าจุดพลังอำนาจถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเป็นจุดพลังอำนาจหรือเราไม่รู้แต่นั่นคือจุดพลังอำนาจสามารถที่จะอุ้มอุ้มก็หมายความว่าอย่างเรายกขึ้นมาอย่างเนี้ยถ้าหากว่าไปยกแค่แข่งัขันกันอย่างเขายกน้ำหนักหรือเนี้ยยกพับไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีม่ถสินาทีาทวางปึ้ ง, อ, งอันนี้ไม่ได้ ทีนี้เวลายกนี่มันอาจจะต้องยกอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้แต่นี่คือกําลังที่เพียงพอเพราะฉะนั้นในชานเลิกนี่เขาจะต้องยกเช่นอย่างว่าเมื่อเข้าอากาสานัญใจ ย, ยัตนาชานอย่างเนี้ยเมื่อเข้าอากาสานันใจ ย, ยัตนาชานก็ก็อยู่ได้เรียบวกัยพลังนั้นจะอุ้มให้ชานอันนี้อยู่เป็นชั่วโมงให้ชานอันนี้อยู่เป็นหลายชั่วโมง อยนี้เป็นต้นอันนี้ก็คงพอเข้าใจแล้วทั้งนี้ข้อที่สามคือศูนย์รับอารมณ์หมายถึงชานที่ได้ตั้งอยู่ที่ผู้รู้เป็นตัวศูนย์รับอารมณ์เพราะความนึกคิดนั้นๆจากเหตุภายนอกที่ประดังกันเข้ามาสู่ตัวผู้รู้จึงทำให้อารมณ์นั้นๆเข้าสู่จิตไม่ได้เพราะพลังจิตในขณะนั้นได้ต้านไว จึงทำให้ฌานยังคงอยู่อย่างนี้คือตามธรรมดาคนที่มีฌานถึงขั้นลึกแล้วเนี่ยอารมณ์จะเข้ามาไม่ได้เสียงก็เข้ามาไม่ได้แต่ได้ยินเช่นได้ยินดังตังอย่างเนี้มันอยู่ข้างนอกมันไม่ถึงหอูอย่างนี้เป็นต้นในลักษณะในลักษณะเป็นอย่างนั้นอารมณ์นั้นใช่ว่าไม่มีมีเยอะแยวรอบตัวเป็นร้อยเป็นพัน แต่มันอยู่รอบตัวแต่มันเข้าถึงจิตไม่ได้กระทบเข้าไปไม่ถึงในขณะเดียวกันผู้ที่อยู่ในฌานเนี่ยอาจจะมองเห็นอารมณ์ต่างๆได้เยอะมันอันนั้นเข้ามาอันนี้เข้ามาแต่มันเข้ามาแค่ยังอยู่ประมาณแขนหนึ่งอย่างเงี้ยมันเข้ามาถึงใจไม่ได้อันนี้คือศูนย์รับอารมณ์ศูนย์รับอารมณ์นี่จะปะทะพวกนี้ไว้ปะทะพวกนี้ไว้ด้วย ด้วยเหตุผลก็คือว่าเกิดมาจากพลังจิตแล้วมาต่อเ น, นื่องมาถึงศูนย์รับอารมณ์เนี่ยศูนย์รับอารมณ์คือตัวผู้รู้คือตัวใจเนี่ยใจของเราเนี่ยทีนี้ถ้าหากว่าศูนย์รับอารมณ์เนี่ยมันไม่เข้าขัน้นมันมาทีไรมันก็ถึงทุกเทียมาทีไรก็ถึงใจทุกทีมาทีไรก็ถึงใจทุกทีแต่อย่างเนี้ยใครจะว่าเป็นฌานอะ่ะมันไม่เป็นแล้วล่ะเป็นฌานไปไม่ได้ มาแล้วต้องไม่ถึงใจอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามิดไปเลยไม่รู้ว่าอารมณ์อยู่ที่ไหนอันนั้นมันไม่ใช่ฌานมนเจจะเป็นสลบหรือว่าเป็นอะไรไปอย่างนั้นอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ฌานหรอกอย่างนั้นอ่ะสลบไปเขาวางยาสลบเขาก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้เป็นตน <c oughs> ้นทีนี้ต่อมาถึงข้อที่สี่คือวิญญาณ วิญญาณหมายถึงกิริยาจิตที่จะต้องรับรู้ในทุกกรณีความรับรู้นี้จะสอดแทรกเข้าสู่ช่องต่างๆมีเสียงบ้างรูปบ้างนิมิตบ้างสัมผัสบ้างเหล่านี้วิญญาณได้ถูกย่อลงมาสั้นที่สุดจนจนมีแต่ผู้รู้หมายความว่าผูกพลังจิตกำหนดไว้ให้ทำงานเพียงแค่นี้ ทีนี่ยไอ้ความสอดแทรงของไอ้ตัววิญญาณเนี่ก็คือตัวที่จะต้องไอ้ออกไปออกไปรับเอามาไอ้ตัววิญญาณเนี่แยแกจะเปนเน้ออะไรฉันจะไปรับเอามาก็จะเป็นเนื้ออะไรฉันก็ไปรับเอามาอย่างนี้ไอ้ตัวไปรับเนี่ยเ้าเรียกว่าตัววิญญาณตัวความรู้เช่อนอย่างใครพูดออกมาเนี่ยมีความรู้ว่าแกพูดด่าฉัน เนี่ยแล้วเมื่อไทยพูดออกมาเนี่ยแกพูดจกย่องสรรเสริญยันอย่างเนี้ยหรือว่าแกพูดอย่างนี้แกกำลังร้องเพลงอะไรอย่างนี้วิญญาณนี้จะไปเข้าสัมผัสอ่าสัมผัสสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นเมื่อวิญญาณเข้าสัมผัสนั่นก็กลายเป็นอารมณ์ก็กลายเป็นเรื่องที่จะต้องสร้างสังขารปรุงแต่งขึ้นเสียงอันนี้มันเพราะเสียงอันนี้มันไพเราะ หรือว่าคนมายกยอรเราพ่ยเสียงอันนี้มันน่ะชื่นหลชื่นใจหรือคนไหนมาด่าเราโอ้โหนี่ขุดห้องมองใจมันก็จะปรุงแต่งไปอย่างนั้นแต่ว่าพอเป็นฌานเขาแล้วเนี่ยมันจะไม่รับอันนี้อันนี้ละวิญญาณอันนี้จะยอ่อลงมาอยู่ที่ผูร้รู้ขอยอ่อมาแล้วเนี่ยถึงมันจะเสียงอะไรก็ผ่านไปเฉยเฉยไม่ออกไปรับแล้วก็ ไอ้การที่ไม่ออกไปรับเนี่ยมันอาจจะชั่ววินาทีหรืออาจจะชั่วนาทีหรืออาจจะชั่วห้านาทีไอ้อย่างนั้นมันเพียนเป็ น, เ, ปนเพียงชัวช่วขณะเป็นชานไม่ได้ไอทีนี้ถ้าเป็นชานจริงๆเนี่ยไอ้การที่จะออกไปรับรู้อย่างเนี้ยมันจะไม่รับมันจะไม่รับอ่ะก็เรียกว่าถูกย่อลงมาอันนี้คื อ, อ, อบินญาณทีนี้ข้อที่ห้าความครอบครอง อันนี้หมายถึงการดําเนินฌานขณะที่ได้รับอิทธิพลแห่งพลังถึงขนาดแล้วการครอบครองให้ฌานที่กําลังเป็นอยู่นั่นคงเส้นคงวาหมายถึงความยิ่งใหญ่ของพลังจิตจากการอบรมมาแล้วอย่างต่อเนื่องอันนี้เราก็จะต้องรู้ว่าพลังอํานาจอันหนึ่งอย่างเรามีทรัพย์สินสมบัติเนี่ยเรามีสิทธิ เราครอบครองใครจะมาร่วงล้ำไม่ได้เรามีอิสระอันนี้ก็เรียกว่ า, าการครอบครองแต่การที่จะครอบครองได้นั้นคุณมีทัพย์เท่าไหร่คุณก็ครอบครองได้เท่านั้นจะไปครอบครองทรัพย์ของคนอื่นเขาไม่ได้เราจะต้องครอบครองเฉพาะสิทธิที่เรามีอยู่เท่านั้นเรามีบ้านอยู่ สองหลังเราก็ครอบครองบ้านของเราสองหลังในขณะที่ในบริเวณนั้นมีตั้งเป็นร้อยหลังเราก็ไปครอบครองของเขาไม่ได้อันนี้คือสิทธิการครอบครองเมื่อเป็นเช่นนั้นมาถึงการครอบครองของฌานก็มีสิทธิในการที่จะครอบครองฌานอันนี้ในลักษณะว่าสิทธิอาคาสารัญจายตะนาชาน สิทวิญญาณัญญายาตนาชานสิทธิอากิจัญญายาตนาชานสิทธิแนวสัญญานาสัญญายาตนาชานคุณได้ฌานอะไรคุ ณ, ณได้อากาษาคุณก็ครอบครองแต่คุณจะไปครอบครองวิญญาณัญจายาตนะไม่ได้อ่แต่เมื่อมาถึงวิญญาณัญญายาตนะคุณก็สามารถครอบครองวิญญาณัญญายาตนาได้ มาถึงอากินจัญญายตนะคุณมาครอบครองอันนี้คุณครอบครองได้เพราะเขาเขาทำได้แล้วอย่างเนี้ยอย่างที่ว่าเราอยากได้บ้านหลังหนึงเรามีเงินอา้าวเราไปผ่อนไม่ผ่อนละเรามีเงินเอซื้อได้เลยเราก็ซื้อเอาซะเลยเมือนซื้อเลยโอนเป็นของเราแล้วจิตที่การครอบครองก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกันกบเมื่อพลังจิต มันรวมกระแสะเข้ามาจนกระทั่งถึงอาการสารนัญญาตะนักชาตแล้วเนี่ยเขาก็ครอบครองละทีนี้อาการครอบครองนั่นก็คือสิทธิที่เป็นไปตามความเป็นจริงอันนี้ไม่มีรัฐบาลไหนมาออกกฎหมายแต่ว่าเป็นสิทธิครอบครองแห่งความเป็นจริงเนีเมื่อใครทําได้คนนั้นก็ครอบครองได้ แต่จะครอบครองได้นานเท่าไหร่นั้นก็สุดแล้วแต่บุคคลผู้นั้นอันนี้คนจะเข้าใจแล้วทีนี้ต่อไปคือข้อที่หกข้อที่หกความสงบในที่นี้เรียกว่าอารมณ์ต่างๆได้ถูกหยุดไปแล้วเป็นส่วนมากอารมณ์แม้จะมีเพียงอันเดียวเป็นอารมณ์ที่มีผลประโยชน์โดยในนี้คือการคัดเลือกเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว เมื่อเป็นเช่นนี้จิตจึงอยู่ในที่มีประโยชน์หมายความถึงความสงบความสงบนั้นเราอาจจะเห็นในความสงบต่างๆนั้นนะบางคนก็ไปนั่งสงบสติอารมณ์หรือว่ากําลังโกรธใครอย่างเต็มเหนียวพอหายโกรธเขาแล้วก็ไปนั่งสงบสติอารมณ์อะไรอย่างนั้นอันนั้นมันไม่ใช่เรื่องของฌานแต่การที่ เป็นฌานขึ้นมาเนี่ยได้ถูกกรองเหมือนกับที่อธิบายมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าการบริกรรมพุโทโธเนี่ยคือการกรองอารมณ์ต่างๆอารมณ์มันควรที่จะเข้ามาถึงเลยไม่มีอะไรกำบังเลยนั่นนั่นคือไม่มีอะไรกรองถ้าหากว่าเรามีพุโทโธแล้วพุโทโธก็สามารถกรองอารมณ์ มันจะรุนแรงมันก็หายความรุนแรงขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นเมื่อกองสําเร็จแล้วนี่มันก็เหลือส่วนดีอส่วนที่ปราศจากเชื้อโรคพัฒนามันจึงกลายมาเป็นฌานเมื่อกลายมาเป็นฌานคือความสงบอันนี้หมายถึงความสงบที่ปราศจากเชื้อโรคคือเกิดความสงบที่มีเออมันมันจะว่าเป็นอารมณ์ก็ได้ หรือว่าไม่เป็นอารมณ์ก็ได้แต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ในจิตขณะนั้นคือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับจิตใจของบุคคลผู้นั้นอย่างนี้เป็นตน้นคือสงบมไม่ได้หมายความว่านิ่งจะไะ่ทำไม่ต้องหายใจคือสงบจากอารมณ์ที่มันไม่มีประโยชน์ เ, เราทิ้งได้หมดเหลือแต่สิ่งที่มันมีประโยชน์ที่เรียกว่า เ, เป็นพลังจิตทือเรียกว่า เป็นสิ่งที่เกื้อกูลให้เกิดความเยือกเย็นอะไรเหล่าเนี้อันนี้เขาเรีย ก, กว่าความสงบแต่ความสงบอันนี้จะอยู่ได้นานเพราะเป็นฌานดังนั้นต่อไปคื อ, อ, อข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดนี้ความย่อนะที่นี้เองคือจุดสำคัญของฌานลึกคือว่าในบรรดาหันทั้งห้า มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ถูกพลังจิตย่อลงมาอย่างสั้นที่สุดเมื่อพลังจิตมีกําลังก็สามารถย่อขันห้าไว้ได้นานเท่าใดก็ชื่อว่าอยู่ในฌานลึกนานเท่านั้นขันห้านี่มาจากรูปรูปนี่ก็คือตัวเราเนี่ยได้ถูก เ, เคลียกันกระทั่งหมดความรู้สึกหายนอกแล้ว จิตก็จเกิดความสงบขึ้นอันนี้คือถูกย่อหมายความว่าแต่ก่อนก็รู้สึกนิ้วแต่ก่อนก็รู้สึกหัวเขา่าแต่ก่อนก็รู้สึกหัวเดี๋ยวนี้มันไม่รู้สึกนั่นถูกย่อลงไปแล้วย่อมไปอยว่ทิตใจทีนี้ต่อไปก็คือเ อ, อเวทนาเวทนาคือความเจ็บความปวดความเมื่อยความเหนื่อยความหิวอันนี้เขาเรียวกว่าเวทนาเวทนาจะถูกย่อลงไปหมด ถ้าหากว่าไม่ยอ่อก็เจ็บหัวไม่ยอ่อก็เจ็บเอวไม่ยอ่อก็เจ็บมือไม่ยอ่อก็ไปเที่ยวเจ็บสารพัดนอกจากเจ็บแล้วก็ยังต้องไปมีปฏิกิริยาต่างๆแต่ปฏิกิริยาเหล่านั้นจะไม่เกิดเพราะถูกยอ่อลงหมดแล้วถูกพลังจิตย่อนี่เวทนาต่อมาก็เป็นสัญญาสัญญาคือความจาความหมายจำได้ไหมรู้จาได้ไหมรู้เนี่ย เราจะไปรู้ว่าทรัพย์สินสมบัติมีเท่านั้นลูกน้องมีเท่านั้นโรงงานมีเท่านั้นเงินมีเท่านั้นอ อ, อะไรเนี่ยเ้าเรียกว่าสัญญาคือจําได้ว่าอันนี้คือของเราอย่างเนี้ยแม้กระทั่งสมุดจินซอรหรือว่าปากกามาถึงใกล้ๆตัวแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยสัญญานี้ได้ถูกย่อลงไปแล้วอยู่ที่จิตเนี่ยสัญญาเหล่านี้จะไม่ออกมายึดว่าอันนี้เงินอันนี้ทองอันนี้จินซออ น, นี้ปากกา อะไรอย่างเงี้ยมันจะมายึดมันถูกย่อลงไปหมดเน่องจากว่าสัญญาข้อที่สีต่อไปคืออสังขารสังขารแปลว่าความปรุงแต่งความปรุงแต่งคือพวกที่สร้างวิมานบนอากาศหรือว่าปรุงแต่งว่าเราจะต้องทํางานอย่างนี้แต่กําไรอย่างนั้นทํางานอย่างนั้นขาดทุนอย่างนี้คนนี้ด่าเราคนนี้ว่าเรา คนนี้สรรเสริญเราอะไรอย่างงี้มันสรรเสริญเราเราจะให้รางวัลมันดาเราจะไล่ตีหัวมันอะไรอย่างนี้อันนี้คือสังขารสังขารที่มันจะปรุงแต่งออกมาเออ่ในเวลานั่งสมาธิหรือว่าเข้าฌานี่ก็เป็นตัวสําคัญแต่ก็ถูกย่อลงมาหมดแล้วเมื่อย่อลงมาหมดแล้วนี่มันก็เป็นอันว่าแต่ทุกอย่างเข้าไปสู่ฌานได้ ตามอัธยาศัยทีนี้ก็มีข้อความที่ว่าฌานคือสิ่งหนึ่งที่จิตได้ถูกอบรมจนได้ระดับในระดับแห่งฌานนี้จึงนำมาซึ่งความสงบสุขณที่นี้หมายถึงฌานลึกจึงควรทราบว่ามีลักษณะอย่างไรลักษณะก็คือลักษณะเจ็ดประการดังกล่าวแล้ว คือกะระแสพลังศูนย์รับอารมณ์วิญญาณความครอบครองความสงบและความย่อลักษณะทั้งเจ็ดประการที่แบ่งออกเป็นตอนตอนนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายแต่เมื่อถึงซึ่งความเป็นจริงแล้วก็รวมอยู่ที่จิตอันเดียวเท่านั้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าลักษณะทั้งเจดประการนั้นเป็นการรวมตัวเข้ามาเป็นหนึ่งเดียว เช่นกระแสะก็อยู่ที่จิตพลังก็อยู่ที่จิตจิตสูนรับอารมณ์ก็อยู่ที่จิตวิญญาณก็อยู่ที่จิตความครอบครองก็อยู่ที่จิตความสงบก็อยู่ที่จิตความย่ อ, อ ก, ก็อยู่ที่จิตเมื่อเป็นเช่นนี้จะแบ่งออกเป็นข้อๆทำไมการแบ่งออกเป็นข้อๆนั้นโดยจุดมุ่งหมายต้องการให้นักศึกษาครูสมาธิเข้าใจข้อเทจจริงเหมือน ก, นกันกับนักวิทยาศาสตร์ ที่เขาผิดกล้องขยายออกมาหรือเป็นกล้องจุลทรรศทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เขาต้องการจะทราบถึงต้นเหตุของจุดจุดจุดจุดจุดต้นเหตุของจุดจุดจุดุจุดหมายความว่าต้นเหตุของสารพันธ์โดยเฉพาะเช่นตัวของเชื้อโรคว่ามันมีอะไรบ้างเมื่อทราบแล้วการที่จะแก้ไขโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็สามารถที่จะหาตัวยามาแก้โรคนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดเมื่อตัวโรคถูกขยายออกมาอย่างชัดเจนเขาก็สามารถหาตัวยามาทำลายโรคนั้นได้ร้อยเปอร์เซ็นอันนี้มันผลออกมาจากการขยายดูตัวโรคแต่ละชิ้นละชิ้นละชิ้ น, ล ะ, นละชิ้นออกมาอย่างนี้ ตลาดถึงนักวิทยาศาสตร์ก็จะต้องใช้กล้องจุลทรรศขยายส่วนของตัวยาเช่นตัวยานี้จะทําะายโรคชนิดนี้อันตัวยาทั้งหลายหลา ย, หลายชนิดก็มองด้วยตามไม่ได้ต้องใช้กล้องขยายถึงจะทราบว่าเดียวกันเราได้ขยายลักษณะที่มีปรากฏการ์อยู่ในจิต ผู้บำเพญญ็ญฌานนำออกมาจารในเพื่อให้นักศึกษาครูสมาธิได้เข้าใจและรู้แจ้งมิสงสัยกับผู้เป็นโรคภัยไข้เจ็บรับประทานยาหมอสั่งก็าหายโรคได้ไม่จำเป็นต้องศึกษาที่มาของโรคส่วนผู้ที่ฝึกสมาธิโดยประสงค์ในส่วนเฉพาะตนนั้น ก็ทำตามครูอาจารย์ก็ได้ผลตามความต้องการส่วนผู้ที่จะเป็นครูสมาธินั้นจำเป็นต้องศึกษาจึงจะสมควรเป็นครูสมาธิเหมือนกันกับหมอจะต้องสำเร็จวิชาแพทย์ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในลักษณะของเจ็ดประการนี้ก็คือเป็นวัจัยของข้อนี้เพื่อที่ถ้าหากว่า ยังไงสงสัย 1, 2, 3, 5, 6, ข้อไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเขียนเขียนกันตัวหนังสือออกมาสงสัยตรงเนี้ยมันยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเขียนสงเฉาข้อสงสัยมาแล้วก็เอาไปฝากเลยขาไว้ก็ได้อาย่างไรก็ตามวันนี้ก็ต้องพูดกันถึงเรื่องหลวงปู่มั่นกันต่อว่าในเมื่อท่านแท้ จบแล้วท่านก็ลงจากธรรมาะเพราวอันนั้นก็แล้วกันเพราะว่าท่านก็ไม่ไปไหนพระนั่งห้อมร้อมแล้วหลวงพ่อก็นั่งอยู่ข้างๆเราก็มองไปโดยรอบโอ้โอมหมหานรนันเ น, นี่ยมันใหญ่โตมโหฬารน่นากลัวทั้งนั้นเลยเราเราต้องมองอย่างนี้นะว่าเอ ในจํานวนสองสามร้อยองค์เนี่ยล้วนแล้วแต่ผู้ที่ได้ฝึกจิตมาเรียกว่าขั้นสูงแล้วทั้งนั้นเนี่เพราะฉะนั้นเมื่ออในท่านทั้งสองสามร้อยองค์เนี่ยท่านฝึกพลังจิตมาอยู่ในขั้นสูงแล้วพอ เ, เวลาไปนั่งเนี่ยอํานาจมหาศาลจริงๆเพราะว่าเรามองไปอย่างนี้น่าเกรงขามเกรงขามกว่า ที่เราไปอยู่กับเสืออีกอันนี้เมืเอ่อพระอะไรเพราะว่าในสองร้อยสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าใจเนี่ยใจของท่านมีอยู่สองก็เรียกว่าองค์หนึ่งใจห น, งหนึ่งใจหนึ่งพลังนั้นรวมกันมาแล้วสมมติว่าองค์หนึ่งเนี่ยมีหมื่นอะไรนะหมื่นกิโลวัต <c oughs> เราพูดเหมือนไฟฟ้าเราเหมือนกิโลวัตต์นะสิบองก์กว่าแสนกิโลวัตต์ร้อยองก์กว่าล้านกิโลวัตต์สองร้อยองก์กว่าสองล้านกิโลวัตวต์จ น, น, น่ากลัวขนาดไหนแต่ว่าอํานาจคาพูดของหลวงปู่ ม, มั่นที่ท่านพูดออกไปนั่นอํานาจเหนือกว่าสองล้านกิโลวัตต์เพราะทุกคนนั้นเงียบเช็ดไม่มีแม้กระทั่งไอ ท่านก็พูดขึ้นว่าในการที่เราได้สอนพวกเธอมาถึงปัจจุบันคือปีนี้เป็นเวลาสามสิบปีนันว่านั้นกนะ็แสดงว่าท่านสอนลูกศิษย์มาสามสิบปีแล้วทำไมท่านพูดในท่ามกลางสงฆ์ว่า ทำไมเราจึงไม่สอนคารวาดทำไมเราจึงต้องสอนแต่พระไอ้คนที่จะถามปัญหาขึ้นมาก็ไม่มีใครกล้าท่านกระตอบเองเพราะว่าสอนคารวาดนั้นได้เฉพาะตัว <c oughs> สอนพระนั้นองค์หนึ่งเนี่ยสามารถไปสอนคนอื่นได้เป็นพันชีวิตของท่าน จะอยู่แค่แปดสิบเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะตั้งหน้าตั้งตาสอนละต่อไปก็มีวันหนึง่งยมเป็นยอมอุปถัมภ์นะเรียกว่ามีอะไรก็จัดการให้ทั้งหมดเดินกับมาหาหลวงปู่ตอนนั้นก็สองทุ่มแล้วทีนี้ท่านตาไว้ ใครมันเดินเข้ามาในวัดบอกว่ายอมห้าคนมาทำไมเรงั้นจะมาหาหลวงปู่ลายไปด้วยนั้ น, นเวลานี้ไม่ใช่เวลาแกจะต้องมาบ่ายสามโมงนี่เวลาเขาสอนพระนี่นี่คือลักษณะหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นก็เป็นความถูกต้องอย่างหนึ่งว่าท่านใช้เวลาสามสิบห้าปีแล้วก็ ได้ลูกสิธิ์ขึ้นมานับจำนวนมากมายก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เราลองคิดดูกันแล้วกันว่านับมาตั้งแต่ลวงปูอ่อนหลวงปู่ฟันอาจารย์กองมาอาจารย์หลวงพ่ออย่างเนี้ยหรือว่าหลวงปู่เทศหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่เราก็นับเยอะแยะท่านเหล่านี้ล้วนแต่ได้ไป แนะนำคลรวาดนับจำนวนพันมาแล้วก็สมใจหลนท่านที่ท่านได้ประกาศในวันนั้นก็คงจะตรงนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนวันนี้จบถามตอบเพื่อให้สมบูรณ์ไม่ทราบว่าตั้งแต่ถามมานี่ได้ถามหมดทุกคนยังไม่รู้นะ ยังไม่หมดเลยา อ, อาการล่าประวัติหลวงปู่มั่นให้คณะนักศึกษาฟังนั้นก็เก็บเลกผสมน้อยเพื่อให้เขาเพื่อให้รู้ว่าตัา้นความเป็นมาอย่างไรก็เลยต้องคุยกันไปทีละเล็กทีละน้อยคนไม่ว่ากันนะ <c oughs> ต่อไปขอเชิญคุณเอมอรนเหลาวัฒนาปราสมัสการพระอาจารย์ค่ะในกรณีที่คนที่ขาแข็งแล้วนั่งไม่ได้นะคะแล้วต้องออสนใจที่จะทำสมาธิแล้วเขาทำสมาธิเป็นเวลานานสองปีสามปีที่ไม่ทราบว่ามีผลข้างเคียงกับร่างกายหรือเปล่าคะ อก้นขาแขนมาแล้วเปล่าไม่ค่ะเป็นนั่งสมาธิแล้วขาแขนไม่ใช่ค่ะเป็นชาวตะวันตกนะคะเขาจะไม่เคยชินกับการนั่งกับ อ, อพื้นค่ะถ้าเป็นชาวตะวันตกนี่ก็ให้เ้านั่งเก้าอี้เอาได้จะมีผลข้างเคียงเมือทานในระยะเวลานานในระยะเวลานานนี่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น ก็ต้องควรเปลี่ยนอเรียบทผลข้ามเคียมต่างๆคงไม่เกิดแต่ว่าจำเป็นต้องรู้จักวิธีการแล้วก็ประมาณแล้วก็ดูแลสุขภาพเช่นเมื่อนั่งคัตมาตไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้หรือว่านั่งธรรมดาไม่ได้ก็เอาอะไรหนุนก้นซะหน่อยอะไรก็คง หลงพ่อไปพาเยอรมันนั่งสมาธิหงายทองหมดเลยมันไม่เคยหมอนหนุนก้นซะก็ไม่หงายาแต่ว่าถ้าจะเป็นการขัดเราพาเขานั่งเก้าอี้ได้จิตก็จะสงบได้เหมือนกันกา <c oughs> ต่อไปขอเชิญคุณสุมาลีสม้มโตสาดมรสการค่ะพระอาจารย์คือสิทธิพิ่งมาเรียนสมาธิได้ไม่นานนะคะเออก็อยากจะถามพระอาจารย์ว่าเวลาเดินจงกรมอะค่ะเรากำหนดจิตไว้ที่หน้าผาก น, นะคะจะรู้สึกหนักๆอะคะ่ะมันมีสาเหตุจากอะไรอะคะเอ่อไม่เป็นยังไงนะ <c oughs> มันหนัก หนักๆ ก, ก็คงก็อาจจะดีได้เพราะว่าหนัก ห, กกหมายถึงว่ามันเกิดพลังขึ้นมามันถึงได้หนักขึ้นแต่ทีนี้ถ้าหากว่าต้องการถ้าเห็นว่าที่หน้าผากมันอาจจ ะ, ะไม่ถูกกับนิสัยก็เอาไว้ที่ หัวใจเราเลยอกเบื่องซ้ายใต้ค่ะแล้วเวลานั่งสมาธิค่ะน้ำตามจะไหลบางครั้งค่ะจะไหลไม่ยอมอยู่หรอคะสาเหตุเพราะอะไรคะอันนี้ก็คงเกิดขึ้นจากอาการมันกวจะมีปฏิกิริยาทางร่างกายอยู่บ้างแต่ในณขณะทิ้น น้ำตามันไหลนั้นจิตใจเป็นยังไงมันเศร้าหรือว่ามันเยอะปิมเกินหรือว่าเป็นอะไร ม, มีสมาธิค่ะแต่ว่าน้ําตามันไหลไม่หยุดอะค่ะอัน้นอาจจะเป็นเรื่องของอะไปฏิกิริยาทางร่างกายก็ได้เราคิดไปอย่างนั้นก่อ น, านตานาน้าตาไหลนี่มันจะมอะีอาจจะเป็นอะไรพอเวลาที่ ไม่นั่งสมาธิก็ไม่ไหล<ะ>แล้วนั่งสมาธิแล้วไหล<ะ>ถ้าเป็นอย่างนั้นนุตโอคงจะอยู่ที่ลมลมหายใจอ่ะขอบพอคุณค่ะคือลมหายใจนี่ก็จำเป็นต้องให้ลมหายใจเดินให้คล่องตัวคงจะหยุดได้แต่ไปก็ขอเชิญคุณขวัญฤทัยสาริ กราบธรรมทศสารว่าอาจารย์อยากทราบว่ากราบฐานว่าเวลานั่งสมาธิทุกครั้งอะรู้สึกตัวตลอดเวลาอยากทราบว่าถูกต้องหรือไม่การนั่งสมาธิที่มีความรู้สึกตัวอยู่นั้นหมายความว่ามีสติอันนั้นถือว่ามีผลได้ผลดีต้องไม่เข้าใจว่า การรู้สึกตัวนั่นอ่ะคือความไม่เป็นสมาธิที่จริงแล้วการรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาก็คือการเป็นสมาธิเป็นการกระทำพลังจิตได้เยอะให้อเป็นอยู่ตามปกติขอบพระคุณค่ะต่อไปขอเชิญคุณสรัญยารัวีวัตรกราบนมัสการพากย์จา์ค่ะ <c oughs> ด้วยบารมีของพระอาจารย์จึงทำให้มีสถาบันแห่งนี้เกิดขึ้นมาขอให้พระอาจารย์มีพระบารมีญาณอันสูงส่งยิ่งขึ้นไปด้วยเชิญคำถามที่ลูกจะถามเมื่อแรกทำสมาธิจะรวบรวมจิตบะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ต่อมาก็จะเริ่มมีความสงบลง และมีดวงกลมๆเล็กบ้างใหญ่บ้างและมีไฟเจิจ้าตรงหน้าผานะคะแล้วนั่งต่อไปต่อมาอีกก็จะเหมือนคนนอนหลับไม่รู้สึกตัวจนกว่าจะตกใจตื่นขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นนั่งต่อมาอีกก็จะเกิดมีเสียงกระซิบบ้างเสียงสวดมนต์บ้าง ก็จะนั่งต่อไปจนกระทั่งรู้สึกตัวเช่นเดียวกันต่อมาก็มีการเป็นซีสที่ร่างกายมีคนแนะนำว่าให้วางสภาวะจิตพร้อมกับนั่งสมาธิไปที่จุดนั้นแล้วหลังจากนั้นต่อมาก็จะมีนิดๆเหมือนกับน้ำตกรวมกันเป็นน้ำวนแล้วหายไป จากที่เคยนั่งสมาธิได้เพียงชั่วครู่ชั่วยามก็จะนั่งนานขึ้นมาเรื่อยๆและความเจ็บปวดนั้นก็หายไปจะเรียนถามผู้อาจารย์ว่าอย่างนี้เรียกว่าเป็นสมาธิหรือเกิดมีพลังจิตขึ้นได้หรือไม่และขณะนี้ดิฉันก็เริ่มเป็นไทรอยตขึ้นผิดปกติอีก จะให้วิธีวางสภาวะจิตไวเหมือนกับที่เคยเป็นมาได้หรือไม่ขอกลาบเรียนผู้อาจารย์เท่านี้ค่ ะ, ะทีะ่ได้ดำเนิกนการมาถึง <c oughs> ขั้นนี้ก็ถือว่าจิตนั้นได้สงบเป็นสมาธิแล้วฌานทั้งหลายก็เกิดขึ้นด้วย สิ่งที่มากระซิบหรือว่าเหมือนมีเสียงคนมาบอกหรือเรียกว่าเสียงสวดมนต์หรือเสียงอะไรต่างๆตลอดจนกระทั่งแสงสว่างนั้นถือว่าเป็นนิมิตส่วนหนึ่ง น, นิมิตนี่อาจจะเกิดเป็นรูปร่างแล้วก็อาจจะเกิดเป็นเสียงสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นนิมิตทั้งนั้นนิมิตจะเกิดขึ้นในระหว่างที่อจิต ได้เข้าระวังไปแล้วหรือจิตอยู่ในเวลาที่เกิดความสงบเสียงเหล่านี้จะเกิดขึ้นแล้วก็การที่แลเป็นมาตามลำดับนั้นถือว่าการปฏิบัติก็เป็นผลมากได้ได้ผลมากส่วนไทรอยที่เกิดขึ้นอันนี้ถ้าพลังจิต คือเวลาที่พรังจิต <c oughs> เวลาจิตมันตั้งหมายความว่าจิตพอจิตตั้งได้แล้วให้กำหนดเข้าไปที่ตรงไทรอยเป็นสีเขียวคิดว่าน่าจะหายค่ะแล้วลูกควรจะทำต่อไปอย่างนี้ใช่ไหมคะมจะทำต่อไปอย่างนี้แต่ว่า อย่าไปติดในนิมิตเท่านั้นเองเพราะรยะ น, นี้นิมิตไม่มีแล้วใ่ไหมคะแล้วค่ะเจะ้าคุณพระอาจารย์ <c oughs> แปล ว, ว่าใจสงบแล้วใช่ไหมคะอ่าใจสงบค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณต่อไปขอเชิญคุณปรีชาวัฒ น, น์กัคโกศล ครับกราบคุณกลาบน้ำสกัห์อาจารย์ครับผมมีอยู่สองประเด็นที่จะเรียนถามประเด็นที่หนึ่งเกี่ยวกับพลังจิตในตัวคนเราเนี่ยถ้าได้นั่งสมาธินานๆจะมีพลังจิตเพิ่มขึ้นมากมากเลยครับอ่าผมอยากจะทราบว่าพลังจิตอันนี้เราสามารถที่จะวัดเป็นความเข้มหรือเป็นตัวเลขได้หรือไม่ครับถ้าวัดได้นจะวัดโดยวิธีไหนครับ พลังจิตเราวัดเป็นตัวเลขไม่ได้แล้วก็พลังจิตสำหรับความเข้มมันเหมือน ก, นกันกับร่างกายของเราย่าเงี้ยพลังในร่างกายของเราเนี่มันก็มีอยู่ตามปกติทีนี้แต่ละคนแต่ละคนนี่มันก็ วัดกันไม่ได้เขาวัดกันแต่เฉพาะเช่ออนยกข้าวได้หนึ่งกระสอบคนนี้ยกข้าวได้คึ้นกระสอบอันนีก้ก็วัดกันไปแค่อย่างนั้นสําหรับพลังจิตนี่เราก็วัดกันตรงที่ว่าจิตสงบแค่ไหนถ้าจิตสงบแค่นี้ถือว่าพลังจิตมากถ้าจิตสงบแค่นี้ถือว่าพลังจิตน้อยอย่างนี้ อย่างนี้เป็นตน้นแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราทำสมาธิได้สบายๆได้เยอะอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าพลังจิตเราได้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วครับประเด็นที่สองนะครับกระผมขอใช้คำว่าวิจฉาทิฏฐิสมาธินะครับซึ่งไม่ทราบผมจะเข้าใจถูกหรือเปล่าเป็นสมาธิที่ไปทางในทางที่ไม่ดีนะครับน้นเมื่อพลังเิตที่ได้จากสมาธิตัวนี้แล้วนะครับ อไม่ทราบว่าจะไปบังคับคนที่มีพลังจิตที่อ่อนกว่าเนี่ยคล้อยตามในทั้งที่ไม่ดีได้หรือไม่ครับจะมีวิธีป้องกันได้อย่างไงครับอ่การที่จะไปบังคับจิตคนอื่นถึงกับว่าคล้อยตามนั้นรู้สึกว่าอยากที่จะทําได้ทําได้ก็คงคิดว่าน้อยมากอ่า แต่ว่าการที่คนคนหนึ่งคิดอยากจะทำให้คนหนึ่งจะตามใจของตัวอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ผู้ที่มีพลังจิตจริงๆแล้วเนี่ยความคิดอย่างนั้นคงจะไม่ค่อยมีในจิตแต่ที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั้น หมายถึงว่าเขาเอคิดถึงว่าไอ้พลังจิต ท, ที่เกิดขึ้นมานี่ก่อนเขาเกิดความสบายพอเกิดความสบายแล้วก็อยากตายซะเลยอย่างนี้จะได้สบายถ้าว่าจิตเป็นอย่างงี้สบายก็อยากตายก็ชวนคนอื่นตายด้วยเป็นต้นว่าแขวนคอตายบ้างยิงตัวตายบ้า อันนี้เนี่ยมิจฉาทิฏฐิแท้จะมีวิธีป้องกันย่างไหมครับหลวงพ่อครับอ่อันนี้ไม่มีอะไระเพราะว่าหลวงพ่อได้บอกแล้วว่ามันทำอะไรไม่ได้อ่ะคนแต่ละคนมันก็มีพลังจิตเหมือนกันครับขอบพระคุณครับอ่คงจะหมดแล้วหมดเวลาแล้ว